ขอได้เปรียบของอาคารในโลกทิพย์รู้สึกว่าข้าพเจ้าจะได้พูดออกนอกเรื่องมาพอสมควรแล้วดังนั้นขอให้เราได้ย้อนกลับไปสนทนากันเรื่องเรื่องสถาปัตยกรรมและเรื่องที่อยู่อาศัยกันต่อไปใหม่ในบรรดาอาคารบ้านเรือนที่นิยมกันมากในภูมิของเรานั้นมักจะเป็นแบบบ้านหรือกระท่อมที่อยู่หลังน้อ ย, อยเป็นส่วนตัวซิยมากกว่าอย่างอื่น เมื่อพูดถึงแบบหรือสวดทรงก็ดูเหมือนจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ทุกแบบเช่นที่ท่านมีอยู่ในโลกมนุษย์เป็นแต่ว่าอาจจะมีข้อแตกต่างเช่นวัตถุที่ใช้ก่อสร้างและรายการเปลีกย่อยอย่างอื่นบ้างเท่านั้นแม้ว่าเราจะมีบ้านที่สร้างด้วยอิฐหรือหินหรือบางครั้งก็เป็นแบบกึ่งไม้ซึ่งมักจะนิยมกันมากอยู่ก็ตามท่านผู้อ่านฟังแล้วอาจจะนึกเปรียบเทียบไปถึงอิฐหินหรือม้ในโลกมนุษย์อยู่เสมอ ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องขอย้ำให้ท่านระลึกไว้อยู่เสมอว่าความนึกเปรียบเทียบของท่านนั้นยังไม่ถูกต้องเลยเพราะวัตถุของเราที่นี่มีคุณสมบัติแตกต่างกับของท่านมากตลอดจนถึงลักษณะที่ปรากฏภายนอกก็ยังแตกต่างกันไปอีกด้วยอีกประการหนึ่งก็คือเราไม่มีสภาวะของประชาชนที่ต้องอยู่กันอย่างแออัดแทบว่าจะไม่มีอากาศที่จะหายใจ รอาท่านจะไม่ได้เห็นตึกหรือห้องที่สร้างเรียงรายกันไปเป็นแถวยาวเหยียดโดยมีฝาห้องติดกันและเป็นลักษณะเดียวกันไปตลอดแถวเลยลักษณะเช่นนั้นอาจทำให้แลดูเป็นพิมพ์เดียวกันไปหมดก็จริงแต่ก็แลดูเจือชืดและตายด้านเต็มที่ไม่มีบรรยากาศแห่งความสุขใจเสเลยนอกจากจะคิดว่ามีไว้เพียงเพื่อสาหรับเป็นที่สุขหัวนอนเท่านั้นแต่ในภูมิของเรานี้ บ้านทุกบ้านตั้งอยู่ห่างกันมีบริเวณที่เป็นส่วนของตนเองรอบร้อมมีที่ว่างนอกจากบ้านเหลืออยู่เพียงพอที่จะให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านเกิดความรู้สึกโล่งและโปร่งสบายอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่บ้านในโลกทิพย์ไม่มีประการหนึ่งก็คือท่อระบายน้ำฝนหรือท่อน้ำเพื่อการอื่นซึ่งต้องการใช้ภายในบ้านการหมดความจาเป็นในด้านนี้ทาให้หมดเครื่องรุงรังของบ้านไปได้ประการหนึ่ง เพราะในโลกนี้ไม่มีฝนและไม่มีหิมะเรื่องท่อทางเกลากตามชายคาบ้านเป็นต้นจึงเป็นอันไม่ต้องคำนึงถึงเลยและท่านลองคิดดูก็ได้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หมดความกังวลและหายรุงรังไปได้สักเพียงใดเรื่องแสงสว่างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องกังวลใจเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าควรให้บ้านของเราหันไปทางทิศไหนเพื่อจะให้ได้รับแสงสว่างตามโอกาสอันสมควร และเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นตามที่ต้องการรอ ด, ดวงอาทิตย์ของเราฉายแสงอยู่ตลอดการไม่มีการขึ้นการตกและแสงอาทิตย์ก็ส่องด้วยความสว่างอันมีปริมาณเท่ากันในทุกแห่งและจากทุกทิศทุกทางดังนั้นห้องทุกห้องในบ้านของเราและมุมทุกมุมในห้องของเราจึงได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เท่ากันอยู่เสมอห้องทางด้านหลังบ้านก็มีแสงสว่างเท่ากับห้องทางหน้าบ้าน ทุกขณะแห่งความเป็นอยู่ของเราคือยิ่งกว่าทุกวันเสีอีกเพราะไม่มีกลางวันและกลางคืนสลับกันในที่นี้เลยเมื่อพูดถึงด้านหลังของบ้านข้าพเจ้าใคร้จะกล่าวเพิ่มเติมให้ท่านเห็นความแตกต่างอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นความแตกต่างที่สําคัญอยู่เหมือนกันคือบ้านของเรานั้นถ้าจะพูดกันอย่างเร่งครัดตามความเป็นจริงแล้วก็กล่าวได้ว่าไม่มีด้านหน้าด้านหลังเลย คือไม่รู้ว่าด้านไหนควรจะเป็นข้างหน้าและด้านไหนควรจะเป็นข้างหลังกันแน่บ้านของท่านในโลกมนุษย์นั้นตามปกติด้านหน้าก็จะต้องได้รับการประดับประดาตกแต่งให้สวยงามมีจุดเด่นมากกว่าด้านหลังอย่างแน่นอนในบ้านของเราไม่มีความแตกต่างเช่นนั้นทั้งนี้เพราะห้องซึ่งจะต้องอยู่ทางด้านหลังในบ้านของมนุษย์นั้นไม่มีเส็จแล้วในบ้านของเราในที่นี้ ท่านยอมทราบอยู่แล้วว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินอาหารแต่อย่างใดดังนั้นห้องครัวซึ่งจะต้องอพยพไปอยู่หลังบ้านก็เป็นอันไม่มีและสถานที่ที่ควรจะเป็นที่อยู่ของห้องครัวคือเรื่องการกินและสำหรับห้องซ่วมคือเรื่องการถ่ายก็กลายเป็นห้องอื่นซึ่งมีความสำคัญเพียงพอกับห้องอื่นๆเช่นเดียวกัน คำอธิบายเพิ่มเติมโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่11เอเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างเรื่องแสงสว่างข้าพเจ้าได้อธิบายมาบ้างแล้วในหมายเหตุข้อที่สิบการที่ต้องหมายเหตุข้อนี้ไว้อีกก็เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงเรื่องแสงสว่างและเรื่องดวงอาทิตย์ในโลกทิพย์ดีขึ้นข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าโดยธรรมดาแสงสว่างในโลกทิพย์เกิดจากกระแสจิตของผู้ที่อยู่ในภูมินั้น และมาจากภูมิอื่นด้วยเช่นเดียวกับคนที่ทำสมาธิได้ดีก็จะเห็นว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจโปรดสังเกตว่าแสงสว่างที่ว่านี้ตามนุษย์มองไม่เห็นฉะนั้นถ้าพูดตามความรู้สึกของมนุษย์เราก็บอกว่าแสงสว่างนั้นไม่มีแต่ในสายตาของผู้ที่อยู่ในโลกทิพนั้นทุกคนบอกว่ามีและแสงสว่างที่ว่านี้ก็ยังมีระดับแตกต่างกันออกไปอีก คือผู้ที่อยู่ในภูมิต่ำแสงสว่างก็มีน้อยส่วนผู้ที่อยู่ในภูมิสูงแสงสว่างก็มีมากส่วนในอบายภูมิเป็นภูมิที่มืดและยิ่งกว่านั้นเวลาที่ผู้อยู่ในภูมิสูงจะลงไปเยี่ยมทั้งทั้งที่ท่านเหล่านี้ก็มีแสงสว่างออกจากตัวตลอดเวลาแต่ผู้ที่อยู่ในภูมิต่ำจะมองไม่เห็นทั้งแสงและรูปร่าง นอกจากท่านจะบันดาลหรือปรับสภาวะเกี่ยวกับเรื่องแสงให้อยู่ในขนาดที่พวกเขาเหล่านั้นจะเห็นได้โปรดสังเกตให้ดีว่าแสงสว่างในโลกทิพนี้ถ้าเป็นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์จริงๆเหมือนกับในโลกมนุษย์แสงสว่างจะเท่ากันในทุกแห่งหรือทุกเวลาไม่ได้การที่ท่านบอกว่าดวงอาทิตย์ของเราฉายแสงอยู่ตลอดการไม่มีการขึ้นการลงนั้น เป็นเพียงสำนวนคำพูดตามความเคยชินเพราะข้าพเจ้าเคยถามโอปปปาติกะที่อยู่ในภูมิสว่างท่านบอกว่าแสงสว่างในภูมิของท่านสว่างอยู่ตลอดเวลาถ้าหาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเพราะแสงสว่างมาจากโอปปปาติกะที่อยู่ในภูมิที่แตกต่างกันโดยเฉพาะคือในภูมิที่สูงขึ้นไปหรือบางทีแสงเหล่านั้นที่เปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแห่งภาวะของจิตใจ ของโอปปาติกะบางองแต่โดยธรรมดาแล้วจะมีแสงสว่างที่ยืนพื้นเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งตลอดเวลาและโดยธรรมดาท่านก็ไม่เคยนึกถึงดวงอาทิตย์เลยและก็ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าขณะใดเกิดนึกอยากเห็นขึ้นมาก็จะมีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นซึ่งในเมื่อท่านเห็นและถามองค์อื่นดูเขาก็บอกว่าเห็นเหมือนกันท่านเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ดวงอาทิตย์ที่เห็นนี้เป็นมโนภาพที่เกิดจากใจหรือว่าเป็นดวงอาทิตย์ในโลกมนุษย์หรือดวงอาทิตย์ในจักรวาลอื่นซึ่งตามนุษย์สามารถที่จะมองเห็นได้ดังเช่นดวงอาทิตย์ที่เห็นระยิบระยับในโลกของมนุษย์หมายเหตุข้อที่12บสองข้อความที่ว่าเราไม่มีความจำเป็น จะต้องกินอาหารแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นห้องครัวก็เป็นอันไม่มีและสําหรับห้องซ้วมก็ไม่มีข้อความในตอนนี้สําหรับชาวพุทธก็ย่อมจะสงสัยอีกเหมือนกันเพราะหลักของพระพุทธศาสนามีว่าพวกที่อยู่ในอบายภูมิและอยู่ในสุขติภูมิชั้นกามาผจรยังต้องกินอาหารทั้งนั้นพวกที่ไม่ต้องรับประทานอาหารเลยมีพวกเดียวคือพรหมฉะนั้น เมื่อมาพบข้อความในหนังสือโลกทิพย์กล่าวไว้เช่นนี้จึงอดสงสัยไม่ได้และก็เลยถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้ลงความเห็นว่าเรื่องราวต่างๆในหนังสือโลกทิพย์ไม่ใช่เรื่องจริงอันที่จริงแม้ในหนังสือโลกทิพย์นี้เองก็มีการกล่าวถึงในเรื่องการรับประทานอาหารเหมือนกันเช่นกล่าวถึงการรับประทานผลไม้การที่ท่านกล่าวว่าเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกินอาหารแต่อย่างใดนั้น ท่านหมายความแต่เพียงว่าถ้าจะไม่กินก็อยู่ได้แต่จะกินก็ได้ซึ่งผิดกับในโลกมนุษย์ถ้าไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาห ล, หลายวันเป็นต้องตายแน่ส่วนในโลกทิพย์ไม่เป็นเช่นนั้นแม้จะไม่กินก็อยู่ได้การที่ร่างกายของพวกเหล่านี้อยู่ได้โดยไม่ต้องกินนั้นก็เพราะโดยธรรมดาร่างกายในโลกทิพย์เกิดจากจิตใจหรือถ้าจะพูดให้ชัด คเกิดจากวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในวิญญาณสภาพของร่างกายจึงได้ขึ้นอยู่กับจิตใจถ้าหากจิตใจไม่เกิดความอยากก็ไม่รู้สึกหิวไม่มีการอ่อนเพลียแต่ตรงกันข้ามถ้าจิตใจเกิดไม่สบายร่างกายก็จะป่วยทันทีเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกทิพย์ดีจะไม่กินเลยก็อยู่ได้ แต่สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในสภาพของตัวเองความเคยชินอย่างที่เคยมีอยู่ในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ซึ่งยังคงมีอยู่นั้นอันนี้แหละคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการหิวและอยากจะรับประทานอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งถ้าไม่ได้ก็หิวโหวยถ้าได้ร่างกายก็เป็นปกติดีและเกือบจะถือได้ว่าพวกอปปาติกะประเภทที่ยังมีความต้องการอาหารอยู่เสมอ ER นั้นพวกนี้ยังเป็นพวกชั้นต่า ไม่กข้าใจถึงเรื่องตัวเองเลยและจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภถ้ายิ่งต่ำมากก็ยิ่งหิวโหยมากและทรมานมากกล่าวคือสภาพของร่างกายก็ยังจะออกมาในรูปที่ทาให้รู้สึกว่าแม้จะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเช่นอย่างพวกเปรตบางประเภทซึ่งมีปากเล็กแต่ท้องใหญ่อย่างนี้เป็นตน้นสำหรับในเรื่องส่วม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วเพราะอาหารของพวกโอปปาติกาเป็นอาหารที่หรือเป็นอาหารที่เกิดจากวิบาของกรรมเหมือนกับเรานอนหลับและฝันว่าได้รับประทานอันนั้นอันนี้ในความฝันก็จะรู้สึกว่าได้รับประทานจริงๆและมีรสมีชาติจริงๆเพราะฉะนั้นการถ่ายจึงมีไม่ได้อยู่เองนอกจากพวกชันตามจริงๆที่ยังมีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์อยู่มาก ก็อาจจะมีการถ่ายอุจระปัสสวะแต่นั่นก็เป็นแต่เพียงภาพมายาที่เกิดจากความคิดของเขาเท่านั้นซึ่งถ้าหากทำอะไรเพลินหรือมัวสนุกเพลิดเพลินความรู้สึกในเรื่องการถ่ายก็จะไม่มีเลย พระเจ้าได้กล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของชาวโลกที่มาค่อนข้างจะยืดยาวเพื่อให้ท่านเห็นความจริงได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้อความเหล่านั้นบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องหยุมยิ้มไร้สาระไม่น่าจะต้องนํามาพูดให้เสียเวลาก็ได้ซึ่งก็อาจจะเป็นจริงได้ตามมติของท่านเหล่านั้นแต่บางท่านก็อาจคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่ารู้อย่างยิ่งซึ่งก็อาจจะถูกเหมือนกันและสําหรับท่านที่อยู่ในประเภทหลัง คือต้องการรู้รายละเอียดให้มากที่สุดนั้นเชื่อว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมาแล้วก็ดีและที่กำลังจะ บ, บรรยายต่อไปก็ดีคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะอันที่จริงเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้เองจะเป็นเครื่องช่วยให้ท่านเห็นภาพเห็นความแตกต่างในชีวิตของเรากับท่านได้เด่นชัดยิ่งขึ้นหากไม่มีการบรรยายเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ท่านก็คงจะต้องใช้การเก่งเอาเองซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา มีบุคคลเป็นจำนวนมากคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้มิควรจะเป็นเรื่องของผู้ที่ขึ้นมาอยู่ในภูมันสูงและสบายเห็นป่า น, นี้คือควรจะพูดกันถตงเรื่องหนักมากกว่าแต่อันที่จริงเรื่องที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมาทั้งพวงนี่แหละเป็นชีวิตของพวกเราเป็นความบันเทิงความสุขสําราญของพวกเราทั้งหมดเรารักบ้านของเราเรารักสวนอันสวยงามของเราเรามีทัศนียภาพแห่งภูมิประเทศอัน น, น่ารื่นรม เรารักเพื่อนฝูงมิสรหายทั้งมวลที่แวดล้อมเราอยู่นี้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจริงๆและมีสาระมากกว่าของท่านในโลกมนุษย์เสียด้วยซ้าไปบุคคลอีกประเภทหนึ่งในโลกมนุษย์เป็นพวกที่ข้าพเจ้าอยากจะเรียกว่าพวกหัวสูงซึ่งมีความหมายในลักษณะพิเศษคือเป็นพวกที่ชอบคิดอะไรให้สูงส่งเกินความเป็นจริงไม่ชอบของง่าย หรือของที่เป็นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเขามักจะกล่าวว่าถ้าภูมิที่เป็นสุขติหรือสวรรค์มีลักษณะดังที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมาแล้วนั้น mm. ก็ดูไม่น่าจะมีอะไรวิเศษไปกว่าโลกมนุษย์สักเท่าใดเพราะเท่าที่ฟังฟังดูก็ยังเห็นว่ามีบ้านเรือนมีแม่น้ํามีโบสถ์เป็นต้นเหมือนกับในโลกมนุษย์นั่นเองข้าพเจ้าใกล้ขอให้บุคคลประเภทนี้ ลองคิดดูหม่ด้วยความจริงใจว่าถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ชอบสิ่งต่างๆอันมีลักษณะดังที่ข้าพเจ้าบรรยายมาแล้วนั้นเขาคิดหรือเปล่าว่าเขาชอบอะไรเปล่าอีกในายะหนึ่งก็คือขอให้เราลองบรรยายมาให้ละเอียดและด้วยความจริงใจดูทีหรือว่าหลังจากที่เขาตายจากโลกมนุษย์มาแล้วนั้นเขาจะไปอยู่ในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมอันมีลักษณะและสภาวะเช่นไร แต่อย่างน้อยในเรื่องนี้ข้าพเจ้าสามารถจะบอกให้ท่านทราบได้อย่างหนึ่งโดยแน่นอนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยตนเองคือข้าพเจ้าสามารถยืนยันได้เลยทีเดียวว่าข้าพเจ้าได้เคยพบปะสนทนากับบุคคลมากหลายในโลกทิพนี้ที่มีความเห็นเช่นนั้นมาแต่เดิมบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่บอกกับข้าพเจ้าเป็นเสียงเดียวกันว่าเกราะดีเหลือเกินที่สภาวะของสิ่งแวดล้อมของเขาเป็นอยู่อย่างชนิดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะถ้าหาจะให้เป็นอยู่อย่างที่เขาคิดมาแต่เดิมแล้วน่ากลัวจะแย่อย่างบอกไม่ถูกทีเดียวและเขาก็คงจะต้องเป็นศาสติที่น่าสงสารอย่างยิ่งประเภทหนึ่งเท่านั้นข้าพเจ้าอาจจะพูดวกวนนอกเรื่องมาบ้างไม่น้อยแต่ทั้งนี้ก็เพื่อจะย้ำให้ท่านเห็นความจริงว่าโลกทิพย์เป็นโลกที่มีความจริงยิ่งกว่าโลกของท่านเสียอีกและผู้อยู่ในโลกทิพย์ก็ยังมีชีวิตอยู่จริงๆมากกว่าผู้มีชีวิตในโลกมนุษย์ ชีวิตในโลกทิพย์อันมีลักษณะดังกล่าวมานั้นก็ไม่ใช่เป็นความเพอ้อฝันของจิตใจที่ต้องการจะให้เป็นไปเช่นนั้นแต่เป็นชีวิตจริงเป็นโลกจริงของบุคคลจริงๆทุกประการข้าพเจ้าจะขอนําท่านกลับมาสู่เรื่องบ้านในโลกทิพย์ต่อไปใหม่ดังที่ท่านทราบอยู่แล้วเมื่อบ้านของเราสามารถขจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นในการดําเนินชีวิตออกไปได้หลายอย่างเช่นนี้ ผลก็คือเราสามารถทำให้มีเนื้อที่สำหรับทำประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าของท่านทั้งๆ ท, ที่อาจจะมีขนาดเท่ากันก็ตามข้อที่ได้เปรียบของเราประการหนึ่งก็คือเราสามารถมองออกจากหน้าต่างไปชมอยู่อันสวยงามได้จากทุกๆด้านเพราะความที่ไม่มีด้านหน้าด้านหลังไว้โดยเฉพาะนี่เองในกรณีที่เป็นบ้านสองชั้นห้องชั้นบนซึ่งควรจะเป็นห้องนอนสาหรับบ้านในโลกมนุษย์นั้น ก็กลายเป็นห้องสําหรับนั่งเล่นหรืออาจจะใช้เป็นห้องทํางานคือดูหนังสือก็ได้หรือไม่ก็ใช้สําหรับเป็นห้องที่มิีสหายของเราจะได้มาประชุมเพื่อหาความสำราญอย่างใดอย่างหนึ่งกันก็ได้หรืออันที่จริงใช้ห้องอื่นๆเพื่อความประสงค์ดังกล่าวก็ได้ในส่วนขนาดของห้องก็เช่นเดียวกันอาจจะมีขนาดแตกต่างกันไปได้ตามความประสงค์ของเจ้าของบ้าน และความงามของบ้านนั้นก็มิใช่จะมีให้เห็นแต่ภายนอกเท่านั้นเพราะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องประดับตกแต่งภายในเช่นเก้าอี้นั่งโรมปูพื้นเป็นต้นก็เป็นไปตามรสนิยมของแต่ละบุคคลอันที่จริงเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของบ้านแต่ละชิ้นในที่นี้ไม่มีการทําขึ้นเป็นแบบเรื่องโหลคือทํากันขึ้นเป็นแบบเดียวคราวละมากๆเพื่อลดต้นทุนเลยเพราะทุกชิ้นได้รับการประดิษฐ์ขึ้นโดยเฉพาะ และเป็นพิเศษสำหรับแต่ละรายโดยผู้เป็นช่างในทางนี้จะบัรจงทำให้อย่างสุดฝีมือเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นความเบิกบานและสุขใจของเขาอย่างยิ่งที่มีโอกาสทำเช่นนั้นดังนั้นแม้เครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่งามที่สุดเขาก็ใช้ความประณีตในการสร้างขึ้นมาเหมือนกับว่าจะทาไปสำหรับถวายพระราชาชนั้น สำหรับการเลือกบ้านที่จะอาศัยอยู่นั้นเราก็มีอิสระเสรีเต็มที่ในการเลือกแบบเอาตามใจชอบในเมื่อท่านได้มีสิทธิในทางวิญญาณคือได้ทำคุณงามความดีมาสมควรที่จะเป็นเจ้าของบ้านเดีวหลังหนึ่งแล้วมันอาจจะเป็นบ้านชนิดที่ท่านได้ใฝ่ฝันอยากได้เหลือเกินตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็ไม่มีโอกาสจะได้สมอย่างใจหวังจนกระทั่งตายจากไป แต่ความประสงค์ของท่านจะสมบูรณ์เต็มที่อย่างแน่นอนในโลกนี้หรือถ้าท่านยังชอบบ้านแบบที่เคยอยู่มาแต่เดิมในโลกมนุษย์เพราะว่าบ้านแบบนั้นก็สมใจท่านแล้วท่านก็สามารถจะอยู่บ้านแบบนั้นได้ต่อไปอีกในโลกทิพย์บ้านของข้าพเจ้าเองในปัจจุบันก็อยู่ในประเภทหลังนี้ซึ่งไม่ใช่เพราะว่ามันสวยงามวิจิตพิสดาร ล, ล้นเหลืออะไรแต่เพราะว่ามันแลดูเรียบร้อยน่าเอ็นดู และมันก็ถูกกับรสนิยมของข้าพเจ้าด้วยดังนั้นเมื่อข้าพเจ้ามาถึงโลกทิพย์ก็ได้พบบ้านของข้าพเจ้าเหมือนกับแบบเดิมนั่นเองโดยส่วนใหญ่จะมีผิดบ้างเล็กน้อยก็คือมีส่วนประกอบเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยจากบ้านในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะทําแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทํานั่นเอง เมื่อพูดถึงขนาดของบ้านก็อาจจะแตกต่างกันไปได้มากอีกเหมือนกันเพราะที่นี่เรามีตั้งแต่กระท่อมเล็กๆหน้าเอ็นดูไปจนถึงอาคารอันมโหลานอีกข้าพเจ้าได้เคยกล่าวถึงมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ข้อสำคัญก็คือเราจะตัดสินบุญบา ร, รมีของบุคคลกันด้วยขนาดของบ้านของเขานั้นไม่ได้เสมอไปเพราะบางครั้งเราจะพบว่าบุคคลผู้เคยมีชื่อเสียงกึกก้องอยู่ทุกช่องหู ข, ของมนุษย์ เมื่อครับอยู่ในโลกมนุษย์นั้นกลับอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กนิดเดียวในที่นี้ทั้งๆ ท, ที่เขาอาจจะอยู่บ้านหลังใหญ่โตมโหโา兰ก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของความพอใจของแต่ละบุคคลเพราะบุคคลบางคนก็รู้สึกว่าการอยู่ในบ้านหรือกระท่อมหลังเล็กๆทำให้เขาได้รับความสุขใจมากกว่าการอยู่อาคารหลังใหญ่ก็ได้และเขาก็มีสิทธิที่จะทําเช่นนั้นได้โดยไม่มีผู้ใดขัดข้านแต่ประการใด อันหนเราไม่มีที่สําหรับผิงไฟให้เกิดความอบอุ่นเลยเพราะเราไม่มีฤดูการที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาเป็นฤ ด, ดูร้อนฤ ด, ดูหนาวหรือฤดูอื่นๆ อ, อีกเรามีแต่ฤ ด, ดูร้อนที่มีท้องฟ้าสดใสให้ความชื้นบานอยู่ตลอดเวลาในโลกมนุษย์ฤ ด, ดูหนาวอาจมีสเสนียอยู่บ้างในบางแง่าตามภูมิประเทศในชนบทเช่นจะปรากฏภาพต้นไม้ใบโกรนปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว และมีหมอกปกคลุมอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยทั่วไปทําให้เกิดบรรยากาศอันวังเวงเยือกเย็นและดูเสมือนว่าธรรมชาติรอบตัวเรากําลังอย่างลงสู่ความหลับกันเป็นหมดชั่วระยะเวลาหนึง่งแต่ในเวลาเดียวกันฤดูหนาวก็มีความทุกข์ทรมานอันร้ายกาจแทรกเสริมอยู่ในบรรยากาศทั่วไปเหมือนกันความหนาวเหน็บอย่างรุนแรงลมพายุและฝนที่พัดและตกกระนำลงมาตลอดจนถึงหมอกที่ปกคลุมต่ำลง จนกระทั่งแลดูขาวมืดไปหมดรอบด้านนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความผาสุกเท่าใดนักจริงอยู่ในโลกมนุษย์ยังมีฤ ด, ดูใบไม้ผลิและฤ ด, ดูร้อนผัดเปลี่ยนเวียนมาทําให้ความสดชื่นเรื่นเริงเป็นเครื่องชดเชยความทุกข์ทรมานที่ได้รับในฤ ด, ดูหนาวบ้างแต่ใครเลยในโลกมนุษย์จะไม่อยากให้คืนวันอันสดชื่นแห่งฤ ด, ดูใบไม้ผลิหรือฤ ด, ดูร้อนนั้นยืดออกไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันเป็นไปได้จริงๆ ในกรณีเช่นนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านลองวาดภาพดูถึงวันแห่งฤดูอันแสนสุขเช่นนั้นไว้ในใจและลองนึกดูว่ามันจะทําให้ท่านมีความสุขสดชื่นสักเท่าใดและข้าพเจ้ารับรองว่ามโนภาพแห่งความสุขที่ท่านจะได้รับในโลกมนุษย์นั้นจะไม่เท่าเทียมกับความสุขอันแท้จริงที่ท่านจะได้รับในโลกทิพย์นี้เลยบางท่านอาจจะคิดว่า สภาพการเช่นที่ว่านี้คือการที่มีแต่ฤดูร้อนอันสดชื่นอยู่ตลอดการโดยไม่มีฤดูอื่นมาสลับหรือขัดจังหวะ ก, กันบ้างเลยเช่นนี้จะทําให้เป็นเรื่องน่าเบื่อก็ได้ในเมื่ออยู่ไปนานๆข้าพเจ้าขอบอกว่ายังไม่เคยมีใครในที่นี้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นเลยเรื่องเช่นนี้ท่านต้องได้มาชิมรสด้วยตนเองจึงจะรู้ได้ดีว่าควรจะเบื่อหรือไม่แต่สมมุติว่า ท่านยังคิดเบื่ออยู่อีกก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นตัวอย่างของข้อยกเว้นซึ่งทำให้กฎทุกข้อมีความสมบูรณ์ขึ้นได้กระมังคือกฎทุกข้อจะต้องมีข้อยกเว้นมีฉะนนั้นก็คงไม่เป็นกฎท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าสภาพการเช่นนี้นอกจากจะมีผลต่อชีวิตของเราแล้วยังมีผลต่อบ้านของเราอีกด้วยเช่นประตูและหน้าต่างของเรา ก็จะเปิดอยู่ได้ตลอดไปไม่จำเป็นต้องปิดเพื่อหลบความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและเพื่อกันขโมยเป็นต้นเพราะความอบอุ่นจะแผ่ซ่านอยู่ทั่วทุกมุมบ้านโดยไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนแต่อย่างใดอันที่จริงในบ้านบางแห่งก็นิยมมีที่ผิงไฟกันอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นการมีไวเพื่อเป็นเครื่องประดับเสมากกว่าที่จะมีไวเพื่อประโยชน์ให้เกิดความอบอุ่นแต่อย่างใด เพราะการที่จะมีหรือไม่มีก็ประโยชน์เท่ากันในเรื่องอุณหภูมิของอากาศเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรารักษาบ้านของเรากันอย่างไรกล่าอีกในยะหนึ่งก็คือใครเป็นผู้ทำความสะอาดบ้านและดูแลบ้านให้แก่เราเรื่องเช่นนี้เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังคิดเป็นแบบโลกมนุษย์อยู่คือเมื่อมีบ้านก็ต้องนึกถึงการบารุงรักษาบ้านคู่กันไป แต่ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าในโลกทิพนี้ไม่มีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกอยู่เลยและสิ่งที่มีอันชมรุดสุดโทมไปตามธรรมดาก็ไม่ได้มีอยู่เลยดังนั้นแม้บ้านของเราจะมีอายุนับด้วยร้อยร้อยปีเมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์ก็ตามและจะมีใครอยู่คอยดูแลหรือไม่ก็ตามจะไม่มีร่องรอยของความชราความสกปรกหรือความสุดโทมปรากฏให้เห็นเลยและสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในบ้าน เช่นหนังสือหรือเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็อยู่ในสภาพที่ไม่รู้จักสกปรกหรือสุดสมเช่นเดียวกันสมมุติว่าเราถือของพลาดทำให้มันตกลงไปมันก็จะไม่แตกโรมที่ปูพื้นแม้เราจะเดินเหยียบย่ำกันอย่างไรและนานเท่าใดมันก็จะไม่สึกหรอหรือมีสีซีดจางไปแต่อย่างใดแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าก็จำต้องขอกล่าวแท้ไว้สักเล็กน้อยเช่นเคยว่าอาจมีบางท่านมีความเห็นว่า หากชาวโลกทิพย์ยังมีบ้านอยู่การเช่นเดียวกับโลกมนุษย์แล้วก็มีเห็นว่าจะดีกว่าชาวโลกมนุษย์ที่ตรงไหนสําหรับท่านที่อาจมีความเห็นดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องขอตอบว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะอยู่ตามทุ่งนาหรือที่โล่งแจ้งแห่งใดก็ได้ตามความปรารถนาแต่สําหรับข้าพเจ้าเองและบุคคลในโลกทิพย์อีกหลายท่านก็ยังชอบการมีบ้านกันอยู่เช่นนี้มานานแล้ว